ศรัทธาญาติโยมเมืม่อไงก็คงสังเกตสังเกตเอเมื่อนีงเป็นวันเป็นวันเสาร์เป็นยังเป็นยังมาสันทั้งในนอคันวัาภูว่สังเกตแต่แล้วแล้วไปหรอปะคันภูสังเกตก่าที่คืดเอะเมือ่อไงเป็นมีอย่างนะจะมาสันทั้งในนอคู่บาพนเสนอลงพอว่าคันว่าวันเสาร์วนอาทิต สิ่มาสันทางในในี่บอกวันพระออกไปสันทางนอกเบอกว่าวันพระศรัทธา ญ, ญาติโยมมากจะได้ไหวพระก็มีพระพุทธรูปแต่อยู่ทางทางในนี่ยบอมีพระปฐมพุทธรูปอยู่ทังเึ่งหลวงพ่อเออเอาสู้แต่แต่สู้เจ้าสิพิจารณาเนาะก็เบงใบเว้ น, นแต่คนมันหลายถ้าคนมันหลาย มันก็ต้องเบิงตามกาลเทศะบุคคลนั่นแหละคนมันหลายก็ต้องออกมาฉันข้างนอกแต่คนมันน้อยก็ฉันทางในก็ได้เ่ราะไปยังก็ชุดแทนจูเจ้าพิญนากันนะผมบอกกูบาทั้งหลายแหละมันสะไล่ไงมันทัำความสะอาดเทศขนของไปสขนของออกไปใช่แล้วก็ไปทําความสะอาดมันก็สะไล่ไง กูจะแล้วแต่หลวงพอบอกว่ามันสางขึ้นมาแล้วมันก็ต้องได้ใส่มันนะทาบอใส่ก็มากมันกัเสาหมองซาลาบอใส่บานบอใส่บานบวชคัดบอถูบวชทำความสะอาดมันก็บเสาหมองก็นั้นอะไก็ควรจะใส่ตามการตามเวลาเนี่ยอะไรคือ สาสาลายใหญ่ลายผาดีจากวัดมีอยูด่ด้สาลายใหญ่ ล, ลาลายผาเาไปสมพันไม่กต่สัางสาลาย ใ, ใหญ่เอาเรไปใหญ่เราเป็นผ้าน้อยกว่าด้วยาอยสามสีองค์หาองค์ถูจังไรทุก ค, คนละสนกันพนอนะวะาวตตตแต่เมื่อใดก็มาดตะถูสาลาอยู่เดียวต้กอก่ไวแล้วสันหนีนไเล ันนี้ถ้าเราองสององมันแห้งมัดไ ป, ไปแห้งหน่อยก็เก่าหน่อยไปเพราะนะั่นแหละสางสาราใหญ่ก็บบแมนเนวดีขึ้นกันนะั้ลายผ่าวน่อไปแต่ว่าถึงยัไเก็พระในวัดองเฮาเดืนหนี่ก็40ี่สิบกว่าองค์สามสิบกว่าสี่สิบเอ่คันว่าถูสาราเพียงทรณบดายของหลวงพอ่อด้วยพระกี่โยยพวดแล้วหลวงพ่อก็ว่าสนาับบ้า วันนี้เป็นวันที่สิบเก้ามีนาคมพุทธศักราช2 5 5 9ร้อยห้าสิบเก้าวันนี้ทางคณะสงฆ์ศรัทธาญาติโยมกรรมการมูลนิธิวิริยณสีละวันนัดไปชมกันวันนี้ตอนฉันจังหันเสร็จก็คงจะมีการไปชมหารือกันเกี่ยวกับ ได้รับและค่าใช้จ่ายดำเนินการอย่างไรเพราะมันมันเป็นมูลนธิธิมันเป็นจดทะเบียนเข้าไปแล้วมันก็ต้องอมีนายทะเบียนตรวจสอบการใช้จ่ายวันนั้นต้องมีการประชุมกันวันนี้กันเดี๋ยวมีนัดประชุมกันมูลนิธิมูลนธิธิวิริยณศีละวันเป็นมูลนิธิของ ท่านองค์มนตรีท่านดรชาวณนศะิลวันท่านหมอบจตุปัจจัยให้เอามาใช้เพื่อการเผยแพร่ธรรมะจะเป็นพิมพ์หนังสือเราเียเดี๋ยวนีเว้เราก็พยายามเน้นเรื่องพิมพ์หนังสือธรรมะ จดให้จัดทาาญาติโยมได้ศึกษาและก็พร้อมกันกับ MP3 สของครูบาอาจารย์อันนี้เราก็พยายามทำทั้งสองอย่างสรุปก็คือหมูลนิ ท, น ท, นทิวิทยนะน่ยนศีลวันเนะี่วิทยะก็คือโยมโยมพ่อของท่านวิทยะนัาศิลวันก็คือนามสกุลเพราะนั้นเรา ตั้งมูลนิธิจุดนี้ขึ้นมาก็เพื่อธนุบำดุงพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่ธรรมะท่านก็บอกว่าถ้าว่าไม่มีธรรมะออกสู่ตลาดเเลยก็ดูด้วจะเหงืออแห้งเพราะต้องควรจะมีท่านกันเน้นถักเรื่องธรรมเลขิตของหลวงปู่ขาวหรือว่าถอดเทปหลวงปู่ขาว หลวงปูชาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวแต่สำหรับของหลวงพ่อท่านบอกว่าเอาเลยต้องการพิมพ์ต้องการเป็นเอ3พสาอยู่ในอวยาง้นะท่านกท่านบอกอย่างนั้นพราะววันนี้คือจะได้หารือกันพิมพ์หนังสือระหว่าเอ็พสาธรรมเทศนาของหลวงตาแผ่นไหนบ้างที่ เราจะออกเป็นเสียงเพื่อเผยแผ่ธรรมะแจกพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็วันพุ่งนี้ลงพ่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคลุงพ่อก็คงจะขึ้นไปขึ้นเครื่องลงไปกรุงเทพแล้วก็คงจะไปในงานของ คุณพ่อของเสียตุ้ยเสียต้มที่จังหวัดสะเสิงเซาห่างจากกรุงเทพนั่งรถไปประมาณชั่วโมงเจ็ดเศษนะแ้ไ ป, ไปขึ้นเครื่องเทีย่ยงเกือบเที่ยงจะแล้วก็ไปถึงที่นวนก็ไปหมยโมงกว่าอย่างนั้นก็ถ้าไม่มีอะไรเจ้าภาพก็ข อ, อนิมนหลวงพ่อแสดงทํา กล่าวเรื่องอะไรบ้างหลวงพ่อก็รับแล้ล่ะถ้าไม่มีอะไรถ้าพูดถ้าพูดได้ถ้าไม่มีพอที่จะพูดได้หลวงพ่อก็คงจะเป็นองค์พูดกล่าวเรื่องงานงพอเสร็จเรื่องงานแล้วทางทางวัดอโศกา ร, รามท่านเจ้าวาดหลวงปู่ทองที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว ต่นก่อนเนี่ยศพของท่านก็ชลีละของท่านก็อยู่ที่วัดอโศการามหลวงพ่อก็คงจะไปที่วัดอโศการามไปกราบคารวะศพพอได้ทราบทางวัดอโศการามเขาทราบว่าหลวงพ่อจะไปเขาก็ว่าขอนห้มวลหลวงพ่อแสดงธรรมด้วยได้ไหมโอ้คือเอาอคงจับพอไหวอยู่มั่งหลวงพ่อก็รับนะ เขาขึ้นทราบเขาว่าเขาขึ้นไปบอกระหว่างหลวงพ่อจะเป็นหง์แสดงธรรมวันที่ยี่สิบตอนเย็นที่วัดโสการามนั่นแหละแล้วเขาพุ่งในเช้าฉันจะหันเก็บกระดูกอธิของเตี่ยเสร็จแล้วก็คงจะทำบุญแล้วก็คงจะกลับ วันที่ย1ิบเอ็ดอันนี้ก็คือหลวงพ่อบอกกล่าวให้การนักศ้าย ญ, ญาติโยมลูกหลานได้รับทราบนะแต่ว่าถึงอย่างไรวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดผู้ใดที่เคยไปสำนักคุณแม่ชีแก้วนะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีพวกเราจะทำบุญ ถวายเป็นถวายกุศลหรือถวายที่ลำลึกถึงมุทิตาสักการะลยว่าลำลึกถึงขุณแม่ชีแก้วพวกเราก็จะมีการสวดมนต์เย็นของวันที่26วันที่27กระทําบุญตักบาทพร้อมกันที่บริเวณเจดีย์ของขุณแม่ชีแก้วเดือนนี้แหละหลวงพ่อคงจะได้ขึ้นไป แล้วสืงงานของหลวงพ่อช่วงนี้มาลงมาตุ้มพอสมควรลุกรานวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ไปชมมูลนิธิอีกเหมือนกันเพราะมันจะสิ้นเดือนมันจะสิ้นเดือนก็นต้องปิดงบปิดงบการสิ้นเดือนค่าใช้จ่ายต่างๆมูลนิธิพระอาจารย์อินถวายที่โรงพยาบาลศูนย์ดูแลสงอาพาธ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานอีอันนี้ก็เป็นมูลนิธิเพื่อดูแลพระสงฆ์สำมเนินที่เจ็บไข้ได้ป่วยมีความจำเป็นบางองค์ไม่ใช่ว่าจะรวยทุกวัดไม่ใช่นะเวลาท่านเขามากับป่วยท่านก็ไม่อยากจะป่วยอีกต่างหากแต่ท่านป่วยล้วป่วยแล้วจะทำ ย, ย, ยังไงยัดจมูกส่งโรงพยาบาลพระสงโรงพยาบาล ขากลับไปอีกแต่ไหนะไม่มีเงินค่ารถกลับวัดทั้งพยาบาลทั้งหมอก็ต้องควักกระเป๋ากันลงขันกันเพื่อสง่งส่งท่านถึงวัดนะแล้วก็พระที่มาเฝ้าป่วยอีกแต่ไหนะถ้าบิณถ้าบาดพอฉันได้ฉันอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่าบางครั้งบิณถบาตไม่ใครจะไปใส่บาดไม่มีใครรับรองรับประกันใช่บางทีอาหารก็ไม่เพียงพอ อันนี้อาศัยมูลนิธินั่นแหละำหวงพาบาลก็จะได้ช่วยๆกันดูดูแลพระสงฆ์สรุปแล้วก็คืออำนวยความสะดวกให้พระสงฆ์เจ็บใครได้ป่วยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่าที่ออกชื่อหลวงพ่อก็คือที่แรกก็อยากจะให้เป็นมูลนิธิของหลวงตานั่นแหละแต่ว่าศรัทธา ญาติโก้ขอิคาของหลวงตาบอกว่ามูลนิธิโดยมากพอตั้งขึ้นมาแล้วกับเลียดลายแผ่ขอผู้คนทั้งหลายก็ทําให้เสียประวัติของหลวงตาลหลวงพ่อเออแต่อย่างนั้นก็นเอาชื่อหลวงพ่อก็แล้วกันพอหลวงพ่อมองมองเห็นเห็นอยู่พอหลวงพ่อเคยตั้งที่มูลนิธิหอพิอพบาลสงหลวงปู่มั่นที่ศรีนคริน ก็ไม่ได้มีการแผ่ขออะไรตั้งขึ้นมาแล้วกับผู้ใดอยากจะมาร่วมทำบุญกับปีหนึ่งทำบุญนะใครอยากจะได้บุญดูแลพระสงฆ์ใครอยากจะได้บุ ญ, อบญเอามาก็มีคนออกมาร่วมสมทบถ้าไม่เอามาค่าใครไม่อยากจะได้บุญก็ไม่ว่ากันเก็บไว้ซะถ้าใครอยากจะได้บุญเออมามาร่วมสมทบดูแลพระสงฆ์อาพาธ ก็ไม่เห็นขัดข้องที่ตรงไหนนะเราก็ไม่ได้เรี่ะไรไม่ได้ขอให้ชาวบ้านชาวเมืองเดือดร้อนวุ่นวายนะแต่ถ้าไม่บอกไม่กล่าวเฉลยก็ไม่ได้เขาอยากจะทําบุญอยู่แต่ไม่มีไม่รู้จะทําที่ตรงไหนเราก็บอกกันทำนี่นะดูแลสงอารพาดนะ่ะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเอคราวก่อนก็เนะี่ยหลวงปู่วิไลท่านก็ได้ฉีดยาท่านก็ยั ง, งทรงธาตุขันอยู่กับทางทุกวันนี้นะ ใช้ยาเข็มเข็มล้แสนน่ะเข็มละแสนแปดเดือนแปดเดือนแปดแสนนะ่ะมาเล่ง mm hmm. ท่านก็ยังสงทาตขั น, นยอยู่ประทังทุกวันนี้แต่ก็เมื่อไม่นานมานี้อีกเนี่ยก็มีพระอาจารย์ท่านไปจำภรรษาทางเชียงใหม่ท่านอยู่อำเภอปัญจาคิรี 42, สี่สิบสองพรรษาแล้วนะ อายุพรรษามากแล้วท่านก็เป็นเนี่ยเกี่ยวหัวใจเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอนะท่านก็เหนื่อยท่านก็เห็นว่ามาที่ขอนแก่นมาขอนแก่นกันเนี่ยจะเข้าโรงพยาันศูนย์สิริกิตเนะี่ยโรคศูนย์หัวใจเพราะทางน้นก็ตัวละหัวใจแต่ทางนู้นทางเชียงใหม่เขาไม่ส่งเขาไม่ส่งไม่ส่งคนมาฮนะก็ชื่อของท่านก็มี เนี่ยเขาถ่าว่าโรงพยาบาลไหนส่งคนเข้ามาเนี่ยเวลาเขารักษาหายแล้วเนี่ยเขาจะต้องเรียกเก็บเลยเรียกเก็บต้นสังกัดเนี่ยแต่ที้เขาไม่ส่งมาเพระโรงพยาบาลเขาน้อยพรารู้จักอยู่แล้วว่าวันรุ่นนะเปลี่ยนใบาพาสนะมันเท่าไหร่อ่าผในสุดเขาก็ท่านเขาทํายังไงในท่านป่วยใช่ไห อ, อท่านก็มากิดท่านก็โทรมาหาบบง พระไม่ใช่ท่านเนาะตัวท่านเนาะพระโทรมาเพราะว่าเนี่ยขอหลวงพ่ออนุเคราะห์ในเรื่องนีน้หลวงพ่อก็เลยโทรไปทางคณะกรรมการทางอาจารย์หมอวิทูล น, นั่นอะ่ะเอ า, เอาดูแลรักษาหนะ้าก็เข้าไปก็ไปบนลูนสามเส้นมั้งอย่างที่หลว ง, งพ่อพูดหมดไปสองแสนสองนะก็ใช้เนี่นะ ก็คงจะเป็นเงินมูลนิธิเนี่ยแหละแต่เมื่อไปพบกันเมื่อวันที่สิบเอ็ดที่วัดหลวงปู่อุทัยท่านก็ข้องมากราบขอบคุณหลวงพ่อนะโอ้ผมหายเหนื่อยและท่านอาจารย์เลอแต่ก่อนมันเหนื่อยจริงๆมันอ่อนมันเหมือนพบไปเลยเพราะงั้นตายแหละไม่ตายแหละพอหายใจไม่อิ่มมันเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอแต่วันนี้ผมรู้สึกว่า ดีขึ้นมากท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเออไม่เป็นไรเนี่ยแหละหลายๆคนที่หลวงพอ่อจะจะบรรยายให้ฟังเรื่องมูลนิธิดูแลพระสงฆ์นั่นแหะหลวงพ่อคงมัดฉันอาหารวันนี้เนี่ยแหละมันเกิดประโยชน์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังถ้าเราไปขอเงินจากคณะศรัทธาญาติโยมแสนสองแสนเน่ยตาเหลือกทุกคนนะเอแต่มาขอกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อต้องมองเหตุผลนะพ่อ จะช่วยเหลือได้เลยจะเก็บไว้ทําไมเงินหมู่นิธิเก็บไว้ทําไมเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ต้องเกิดประโยชน์ก่อนนะให้เกิดประโยชน์ถ้าว่าพระครูบาอาจารย์พระสงฆ์สมณเณรตายหมดแล้วเงินหมู่นิธิจะเก็บไว้ทําไมไม่เกิดประโยชน์ต้องดูแลพระสงฆ์อาพาธนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อไดอ้จะได้ประชุมงาน วันที่24ที่โรงพยาบาลศูนย์อุรอนและก็วันที่25นะหลวงพ่อจะได้ไปไประชุมที่มูลนิธิมันต่อกันเลยเพราะอย่างนี้นมันจะครบดิวอย่างที่ว่าเลยจะครบงบดุลของเขานะ้าวเลยจะต้องรเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายมูลนิธิ่กฎหมายคุ้มครองหมทตั้งคณะกรรมการทั้ง15คนนะการดูแล จะตุปใจหรือผลประโยชน์ในจุดนี้ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดแต่หลวงพ่อก็แนะนำประธานเนี่ยตาหลวงพ่อเน่ยทำตัวไม่ถูกมูดิทิเสียหายเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยถูกสอบองค์แรกละ่ะติดคุกอีกต่างหากเพราะนั้นเราต้องดูด้วยกันว่าใช้จ่ายยังไงมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนออกไปยังไงได้มาอย่างไงอย่างนี้แหละแต่เราก็ไม่ได้แสวงหากาไรอะไร แต่ว่าเจ้าภาพทัดมาแล้วก็บริหารถ้าหากว่าบริหารแบบกระเป๋าความเชื่อถือมันก็มันก็น้อย่ถา้าบริหารแบบมูลนิธิหลายคนดูแลช่วยกันดูแลความเชื่อถื อ, อผู้ที่สวาสจะจตุปัจจัยมาก็ดีเพราะว่าจตุปัจจัยจุดนี้ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพระพุทธศาสนาเขงบูชาบูชาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นเราต้องดูให้ดีว่าที่จะใช้ใจ่ายอะไรให้เกิดประโยชน์ น, ะนี่แหละเมื่อเสร็จแล้วหลวงพ่อคงจะลงไปมุกดาหารแล้วจนะไงงานของคุณแม่ที่มุกดาหารวันที่วันที่ยี้าลงไปละออกจากคนแก่นกันไปเลยยี่ห้ายี่กวัดของกูบายฉลาด ท่านได้พิสูจน์ขามศีมาท่านจะปักหลักเป็นขอให้มวลหลวงพ่อลงไป่ะอหลงอาลงไปทําไมหลายเรื่องนวกับลูกหลานเนี่เนาะเออเอาลงก็ลงนี่หละลูกเที่หลวงพ่อเล่าให้ลูกหลานฟังเน่ะฟังฟังฟังลูกหลานก็คงจะลาคาญหลวงพ่อเหมือนกันเอสรุปแล้วแต่เปิดเปิงเตลงเปิลเปิดไม่รู้งานอะไรตัวเมื่อไรถ้าไม่ลูกไม่พูดไม่เล่าให้ลูกหลานฟังนะ ไม่ก็รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ลูกหลานก็จะเข้าใจไอ้หลวงพ่อเนี่ยไปที่ไหนบ้างอย่างไรงไอถ้าหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยบางคนก็หลวงพ่อยินขี้อวดจะไหวจริงออวดไม่อวดก็ตามความเป็นจริงถ้าอย่างว่าขี้อวดก็มาตามหลังหลวงพ่อก็แล้วกันนะเอะตามหลังหลวงพอ่อหลวงพ่อจะพาไปอย่างที่หลวงพ่อพูดไหมนี่แหละอะภาระสาธารณกิจของหลวงพอ่อหลวงพ่อพอใจไหมชอบใจไหมโว ไม่มีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับอยู่วัดตนเองนะอยู่บ้านตนเองมีความสุข ก, กว่าจะไปที่ไหนก็ได้จะเดินไปที่ไหนก็ได้ห้องน้ําห้องถ่าที่รับที่นอนมันอยู่บ้านตัวเองจะทุกขจนขนาดไหนก็อยู่บ้านตนเองส ะ, สะดวกกว่าสบายกว่าไม่ใช่เหรอนะถ้าไปอย่างนั้นนมันจําเป็นจะต้องไปเพราะว่าเราอยู่ในชุมชนสังคม เหมือนกับจูงหมาใส่ฝนลักษณะนั้นนหะปิดห้องลูกหลานสถาญาติโยมให้จูงหมาใส่ฝนพวกเราถ้าฝนตกแรงๆเนี่ยจูงหมาในบ้านผูกคอมันจูงไปใส่ฝนน ะ, นะซินะทดลองดูมันเป็นยังไงมันมีสีขามันก็ยันสีขาว ม, มันไม่อยากจะออก น, ะนี่คงเหมือนกันนั่นแหละหลวงพ่อเนี่ยสมัครใจไปไหมหลวงพ่อถ้าหากว่าให้อยู่จะสะดวกกว่า แต่เอ้ยขอเถอะนี่มนถ้ะหลวงพ่อเมตตากะหวังกันนะ เ, เราถ้าเราไม่ไปก็เหมือนเราไม่มีเมตตาเราก็เออเอาเมตตาเออไม่จะเมตตาจะต่อไปจะเป็นเมตตาเนาะส <c oughs> ิงเหล่านี้สิงเหล่านี้หลวงพ่อก็คิดเหมือนกันนะขันธ์ศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานนะแต่ถึงอย่างไรพวกเราเกิดมาได้เกิดมาพบพบพุทธศาสนา ได้เกิดมาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เกิดมาพบพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนเรื่องทานเรื่องประกอบคุณงามความดีกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไล่เลียงตามลำดับมาอันนั้นคือการทำคุณงามความดีประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าสั่งเสีย ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยคือประโยชน์ท่านชุมชนสังคมประโยชน์ตนทํำยังไงประโยชน์ตนก็เนี่แหละเรามาบําเพ็ญกุศลแล้วก็นั่งภาวนาการนั่งภาวนาเป็นการบําเพ็ญตนในอันดับหนึ่งประโยชน์ตนอันดับหนึ่งก็คือนั่งภาวนาณลูกลานนะ อย่าไปมองอย่างอื่นนะเออถ้าว่นนั่งผัดสมาธิเออหรือว่าไม่นั่งคัดสมาธิก็เดินจงกลมขาขวาพุธขาซ้ายโถหรือเราออกจากศาลาหลักนี้ละเออเราก็เดินตามลําพังเราเดินตามไม่ต้องเดินคุยกันคุยกันมาพอแรงแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเดินเดินเดินคุยกันไม่ต้องคุยการเดินคุยกันในหลวงตามหาบุตเคยดุหลวงพ่อมาแล้ว อหลวงพ่อเดินเคียงคู่กับพระฝรังท่านเชอรี่เนี่ยจําได้ออกจากสลาเนี่ยก็ไปกุฏิหลวงพ่อก็เดินเคียงข้างไปเจอเอ๋ค่หลวงตามหาบว่ะพอไปเจอเอ๋หลวงตาหลงตาชี้หน้าทันทีมันหาเดือนคุยกันเหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะฮะพระเนี่นทําไมอจะให้เห็นอีกนะถ้าหเห็นเราไล่หนีจากวัดอ่ะมันทําไม โอ้โหหลวงพ่อเลยจำไม่เลื่ยงไปทั้งทุกวันให้ลูกหลานสามสี่สิบปีให้หลังแล้วเนี่ยแหละมันฝังปวดเวลากรูใบอาจารย์ดูคาไหนออกมาเนี่ยใส่เป้งเขามันถึงหัวใจเลยนะเอ้มันเลยหัวใจไปอีกกว่างั้นแต่หล่นตุ่มเรื่องหัวใจมในันเลโตโตโตตเออจากนั้นหลวงพ่อจะเดินเอ อ, อยู่ที่วัดป่าบ้านตาหลวงพ่อไม่ล่ะเอ่อทันวันมันเดินเดินคุยกันเนะเออ มันเดินคุยทำไมมันเดินมันดูภาวนาสิเดินยังกลมสิพุโทโธพุโทโธหนะ่ะเรามาเพื่อศึกษาเพื่อภาวนานะเนี่ยอมาปล่อยป่าละเลยปล่อยจิตปล่อยใจอย่างนี้มันได้หรอนะอย่าให้เห็นอีกนะพอหลวงตาท่านพูดอะไรท่านพูดเด็ดเดียวนะเพราะนั้นหลวงพ่อเข้าไปศึกษาจําที่ท่านพูดให้ฟังสิ่งไหนที่มันที่ท่านเห็นว่ามันไม่ดีแล้วเราต้องหยุดนะ จากนั้นก็ประโยชน์ตนนะเดินกงกับพูดโทนั่งก็พูดโทนอนกับพโทเ อ, อถ้าหัวมีความจําเป็นเออมาสนทนาปารบธรรมภาษากรนะฉา เ, เราจะไม่พูดเรื่องบ้านเรื่องเมืองพราะเราผ่านมาแล้วอโดยกินเงกินอะไรอัดิบดีก็ทานมาแล้วกินมาแล้วกินแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นแท่งเงินแท่งทองออกมาอย่างนั้นใช่ไหมมันก็เป็นอนั้นออกมาอย่างเก่าเหม็นถึงอย่างเก่า กินอาหารดีเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกินมากเหม็นมากเพราะนั้นเราจะไปนสนใจอะไรนี่ยแหละสนใจเรื่องธรรมะเข้าสู่จิตใจเลยไม่ดีกว่าเลยเพราะนั้นเวลาไปที่ไหนให้พุโทโธเป็นหลักยึดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขาขวาพุทขาซ้ายโธจากนั้นก็ขึ้นไปกุฏิที่พักเราทำความสะอาดเร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเดินยังกลมไม่เดินยังโกงเออหนังภาวนา หลงโล่งแล้วก็นั่งภาวนาอากาศ้ามันอากาศร้อนเดินอยอโกมแทน้ามันอากาศเย็นพอที่จะนั่งสมาธิแต่นั่งสมาธินี่แหละวิธีการ ป, รปฏิบัติของพระกรรมฐาน เ, นเมื่อนั่งสมาธินั่น่รียว่า mm. ออประโยชน์ตนอะไรนีหน้าที่หน้าที่ของเราคือหน้าที่ของพระบวชในพระพุทธศาสนา เราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นไม่ได้มุ่งหวังลาบไม่ไน้มุ่หวังยศสัรเสริญเยินยออะไรเรามุ่งหวังเพื่อทางพ้นทุก์ตามแนวแถวอริยประเพณีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนอย่างไรให้เราประพฤติปฏิบัติตามนั้นนะนี่แหละพอเรานั่งเราใส่ใจสักอย่างเดียวเท่านั้นใส่ใจสนใจในภาคปฏิบัติอีกสักวันหนึ่ง แต่จของเราจะเข้าสู่ความสงบได้นะลูกหลานนะถ้าหากว่าเราอยู่เออละเฮ้ยลอยลมไปแต่ละวี่แต่ละวันเออมันก็อยู่ไปอย่างนั้นชังกระตายไปนะกินแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะหลายเพราะอยู่หลายปีอายุยืนก็แก่ใช่ไหมเพราะอยู่ได้ก็เพราะกินข้าวเออกินข้าวกินน้าก็อยู่ได้แต่เพราะเท่าแก่ชลาเพราะอยู่หลายปีมันก็นเท่าแก่ชลา เทาแกชลายอย่างนั้นได้อะไรมีประโยชน์อะไรเราต้องถามตนเองต้องทำตนให้เป็นประโยชน์นั่งภาวนาเร่งความเพียรบังคับตนเองให้นั่งภาวนาให้นั่งนานๆ น, นั่งภาวนาอย่าไปนั่งเปียกประเดียวประดา่าพยายามนั่งให้นานพุโทโธพุโทโธในใจพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งนิ่ง เพอจิตใจรวมสงบเยือกเย็นในใจอะไรท่านน่ยมันเป็นพื้นฐานเป็นผลเป็นผลประโยชน์อผลประโยชน์เกิดในจิตใจของเราต่อไปขยันเองนะเหมือนกับเราเรียนหนังสือนะเราเรียนทีแรกะเราไม่รู้เด็กนักเรียนไม่มีหรอกเด็กนักเรียนจะขยันไปโรงเรียนมีน้อยมากแต่โดยมากอพ่อแม่ให้ไปก็ไปวันแรกวันที่สองงอแงเลยไม่อยากจะไปเพราะ คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยู่บ้านสะดวกสบายกว่านะอ่ไปเรียนหนังสือนั้นลูกนะไอ้ร้องโ h ม m ร้องไห้ต่ทํำยังไงได้จะไม่ให้เรียนอย่างนั้นใช่ไหอพ่อแม่ทําไม่ให้เรียนเลยลูกตัวเองก็โง่แล้วจะนี่เออจะอยู่ได้ยังไงใหญ่ขึ้นมาเป็นยังไงอพ่อแม่ก็ต้องบังคับอืมรักขนาดไหนก็เถอะต้องบังคับให้ไปเรียนหาผี่เลี้ยงไปหาใครไป้ให้พาไปโรงเรียน ผลที่สุดใหม่ๆนะโอ้เหมือนจูงหมาใส่ฝนอย่างที่ว่าน่ะให้นักเด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือแต่พอต่อมาเขาไปเรียนติดแล้วสิ น, เนีเขาเห็นผลไปติดมูติดเพื่อนในการเรียนของเขาแล้วสิ น, นอ่อพ่อแม่เอ้ยลูกเอ้ยวันนี้พ่อจะไปทุระให้คนนั้นคน น, นี้ป่วยให้ลูกอยู่บ้านเฝ้าบ้านนะลูก น, นะโอยหน้างิกหน้า ง, งอทธิษฐา อ, อ ออพอจะร้องโ h o ร้องให้เอาพราะกวดเรียนไม่ทันหมูนะ่นี่แหละอันนี้ก็คือเหมือนกันนะะั่นแหละไม่ไม่เมื่อเราบังคับเข้าไปเนี่ยเรายังไม่เห็นผลไมืก่กรอยันเหมือนเหมือนกันแนะนํานักลูกของเราไปเรียนหนังสือเนะ่ะเพราะไม่เห็นผลในเมื่อเขาเห็นผลแล้วนะเออเขาขยันเองเท่นี้ห้ามเขาไม่อยู่นี่ก็เหมือนกันนะะั่นแหละไม่ไมเรานั่งภาวนาก็ลักษณะอย่างนั้นนะ่ะ เราต้องบังคับอพอบังคับเท่านี้พอจิตใจติดสมาธิเท่านี้ เ, ออเราดูจิตดูใจของตนเองแต่ละวีแต่ละวันจิตใจของเราได้รับความสงบนี่แหละเป็นหนทางแห่งทาง้นทุกมันขยันเองเท่นี้ห้ามไม่อยู่ท่นี้ขยันดูพอออกจากหมู่เพื่อนปุ๊บมันวิ่งเข้าสมาธิทันทีพอวิ่งสมาธิจิตใ จ, ใจพอสงบพอสงวนพิจารณาทันที แยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเลยเแยกเหมือนกอาจารยใหญ่แยกถลกหนังออกชำแหละเนื้อออกมันมีแต่กระดูกเป็นโครงสร้างอยู่ข้างในในตัวของเราโครงสร้างนี้นจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่น้ อ, เ, อเดี๋ยวนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยใจใจคือผู้รู้คือนามธรรมเลยใจเราจะหลงหลงอยู่ตลอดไปอย่างนั้นใช่ไหมใจ ในเมื่อใจพิจารณาโครงกระดูกอย่างนั้นโครงกระดูกนั้น เ, เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราลนะ่ะสามีภรรยา ล, ลูกหลานนะเงินคำทรัพสมบัติละ่ะยศถาบรรดาศักดิ์ล่ะจะเป็นของเราอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมใจใจสนใจอะไรในเมื่อใจสนใจแหละใช่ขนาดร่างกาย ยังทิ้งอยู่แล้วพี่ถ่โครงโครงกระดูกมีแต่ร่างนะอีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกตายสลายสู่ดินน้ำลงไปจริงไหมใจใช่ไม่จริงก็ต้องจริงนะ่ะใช่ไอมในเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วใจก็รับปล่อยวางนะเออนี่แหละมันเห็นเห็นคุณไปทีละน้อยละน้อยละน้อยนะเลยอย่างหลวงพ่อพูดเมื่อวานะเหมือนกับเราผลัดตีคกนะ๊อะ บางทีก็ตีกอล์ฟบางก็ตีผิดบ้างตีผูกหาจังหวะตีจะทํายังไงมือจะจะลงหลุมให้ได้เ อ, อผลในสุดชํชนานิชํานาญเข้ามาครับผัดผัดเด้อตีกอล์ฟป๊อกตกป๊อกเข้าหลุมเลยฮะแปลว่าจบชนะะออแปลว่าเข้าใจในตนเองนี้ก็เหมือนกันอันดับแรกขอให้ทานาก่อนรักษาศีลก่อน ภาวนาผิดภาวนาถูกได้น้อยหวังไหนมากวังถูถูไยกันไปถูถทยกันมาเหมือนก็นตีกอบอย่างนั้นแหละแต่อีกสักวันหนึ่ง เ, เราเป็นผู้ชำนาญเกิดความเบื่อหน่ายคลายจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสัง่งสอนจิตใจก็ถอนออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์ได้มันเกิดลักษณะอย่างนั้นละ่ะ คนใ้พวกเราทุกๆท่านนะทำมัททำคำสอนของพระพุทธเจ้าในอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมีหลายแน่มีหลายแง่มุมมีหลายชั้นเชิงที่จะให้ตัดกิเลสภายในจิตในใจของพวกเรานะคนะสมชายมันร้องแล้วขึ้นมานานแล้วเอารับพรนัตตินะ